เรือโดยสารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสาร60คนออกจากท่าพระจันทร์ลั่นทวนน้ำมุ่งหน้าไปยังนนทบุรีหยุดรับส่งผู้โดยสารตามรายทางซึ่งมีทั้งคนลงเรือและคนขึ้นฝั่งบางครั้งคนลงเรือมีมากกว่าทำให้ที่นั่งไม่พอผู้มาทีหลังจึงต้องตีตัวยืนเจ้าคุณโชดก ได้ที่นั่งเดียวกับเจ้าคุณเกษมทางด้านหัวเรือพระภิกษุอีกเจ็ดรูปนั่งเรียงรายถัดมาทางด้านหลังพระเจริญนั่งชมทัศนียภาพสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าประยาอย่างเพลิดเพลินนึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงที่แม่น้ำสายนี้มีต่อประชาชนชาวสยามแม้ท่านเองก็ได้ชื่อว่าลูกแม่น้า ด้วยเติบโตมากับลำน้ำนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยมาช้านานและยังเป็นเส้นทางเดินทัพในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามอีกด้วยเหตุนี้ในวันเพ็ญเดือนส2องจึงมีประเพณีลอยกระทงเพื่อระลึกถึงคุณและขอขมาลาโทษต่อแม่พระคงคาที่ให้มนุษย์ได้อาบกิน และกับถ่ายของโสโครกลงไปโดยที่แม่พระคงคามีได้รังเกียจเดียดฉันหรือถือโทษโกรธเคืองแต่ประการใดหนึ่งชั่วโมงให้หลังเรือก็แล่นมาถึงท่าน้ำจังหวัดนนทบรุรีอันเป็นจุดหมายปลายทางชายหนุ่มอายุราวยี่สิบเข้ามากราบเจ้าคุณอาจารย์ และเรียนท่านว่านายพ่องปู่ของเขาใช้ให้พายเรือมารับพระไปยังบ้านซึ่งอยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามเมื่อพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปลงมานั่งในเรือเรียบร้อยแล้วล้านชายในผ่องก็พาเรือออกจากท่าเพียงห้านาทีก็มาถึงเขาผูกเรือไว้กับเสากระโดงแล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นจากเรือ ในพึ่งบิดาของเขารอรับอยู่ที่ศาลาท่าน้ำบุรุษไวกลางคนนั่งคุกเข่าบนศาลาแล้วก้มลงกราบสามครั้งพูดว่านิมนต์พระกุณเจ้าขอรับต้องเดินเข้าไปในสวนอีกห0เมตรใช้เวลาประมาณสิบนาทีขอรับเขาเดินนำไปบนท้องร่องซึ่งทำเป็นทางเดินด้วยการนำแผ่นอิฐ มาวางเรียงกันเมื่อมาถึงบ้านไม้หลังใหญ่นายพึ่งจึงนิมนต์ขึ้นบ้านและกุลีกุจอรตักน้ำมาล้างเท้าให้พระภิกษุทุกรูปพระเจริญรู้สึกประทับใจในการต้อนรับขับสู้ของเจ้าภาพขึ้นไปบนเรือนแล้วนายผ่องบิดาของนายพึ่งจึงนิมนต์ให้นั่งอย่างอาสนะที่จัดเตรียมไว้พระอุดมวิชยานนั่งหัวแถว ถัดมาเป็นเจ้าคุณเสษมพระภิกษุอีกเจ็ดรูปนั่งถัดไปเรียงตามลำดับอาวุโสพระเจริญนั่งเป็นลำดับสุดท้ายเพราะบวชทีหลังรูปอื่นๆเมื่อพระสงฆ์เก้ารูปนั่งลงเรียบร้อยแล้วนาย่องจึงพูดผ่านทางไมโครโฟนว่าขอเชิญญาติโยมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกัน ผมจะว่าภาษาไทยก่อนไม่ต้องว่าตามให้ว่าตามเฉพาะบาลีจากนั้นเขาจึงกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยด้วยเสียงกังวล น, น่าฟังความว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณทรงสั่งสอนเวนยนิกรทุกทวนนาเป็นนาถะอันเอกของโลก ข้าพเจ้าทั้งหลายขออภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังสัมมาสัมพุทโธพะกวาพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิพระธรรมคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัย เป็นนิยานิกธรรมสามารถน้อมนำผู้ประพฤติธปฏิบัติให้พ้นจากทุกประสบสันติสุขได้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อนมนมัสการพระธรรมอันประเสรฐนั้นสวากขาโตพระควตาธรรมโมธรรมมังน ม, มัสสมิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาราบเท่าทุกวันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นสุปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคสังคังนามามิเมื่อนำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จนายผ่องจึงพูดกับพระอุดมวิชาัยานโดยไม่ผ่านทางไมโครโฟนว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มเจเริญพระพุทธมนต์ ระวังนี้ขอพระคุณเจ้าพักพรตามอัธยาศัยครับขอบใจโยมนี่ทำบุญวันเกิดปีที่เท่าไรแล้วละ่ะท่านถามตอนในเพิ่งไปนิมนต์เขาบอกเพียงว่าทำบุญวันเกิดให้บิดาเจ็ดรอบแล้วครับเจ้าของวันเกิดตอบเจ็ดรอบแล้วรึดูไม่รู้เลยนะ ถ้าไม่บอกอาตมายังคิดว่าสักเจ็สิบเจ้าคุณอาจารย์ลงความเห็นเจ้าคุณกเกษมจึงสนับสนุนว่าจริงอย่างที่ท่านเจ้าคุณโชดกว่านันแหละอาตมาก็นึกว่าโยมคงจะอายุสักเจ็สิบไม่น่าเชื่อว่า8ปี่แล้ว คงเป็นเพราะผมอยู่กับสวนมาตั้งแต่เด็กกระมังครับช่วยพ่อแม่ทำสวนซึ่งเท่ากับได้ออกกำลังกายทุกวันเลยดูหนุ่มกว่าคนอายุรุ่นราวกาวเดียวกันคำบอกเล่าของยมผ่องทำให้พระเจริญคิดไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่พาท่านไปพบหลวงพ่อในป่ายมผู้นั้นก็อายุแปดสิบกว่าแต่ยังแข็งแรง เพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่เด็กนั่นรูปสมเด็จโตใช่ไหมพระอุดมวิทยานถามเมื่อมองไปเห็นรูปหล่อด้วยโลหะขนาดเท่าองค์จริงเป็นรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจาย์วัดระคังในท่า น, นั่งขัดสมาธิมือทั้งสองกำลตั้งขึ้นเหนือท้องมือขวาอยู่ข้างบนมือซ้าย ถูกแล้วครับพอผมเป็นคนสั่งให้หลอกึ้นพ่อเคารพสมเด็จมากท่านคุ้นเคยกับครอบครบัวพ่อเรื่องมันยาวครับแต่ถ้าท่านเจ้าคุณอนุญาตผมก็จะเล่าหากไม่เป็นกรณ์ละลาบละลวงอัตมาก็อยากฟังเพราะอัตมาเองก็เคารพท่านมากแม้จะเกิดไม่ทันทันยงเกิดทันทันหรือเปล่าไม่ทันครับพอเล่าว่า ท่านมรณะพาไปก่อนที่ผมจะเกิดแต่พ่อผมทันทันครับท่านสนิทกับมหาทองซึ่งเป็นนักเคยของพ่อคือเมียของมหาทองเป็นนาสาวของพ่อผมท่านเจ้าคุณเคยได้ยินชื่อมหาทองไหมครับที่สอบมหาปริญต่อหน้าพระที่นั่งในอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพ่อผมเล่าว่าสมัยนั้น การสอบมหาปริญจะต้องสอบกันต่อหน้าพระที่นั่งซึ่งพระบาสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานการสอบด้ดยพระองค์เองอัตมาก็เคยฟังพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้รายละเอียดโยมพ่อของโยมเล่าว่ายัางไงบ้างพ่อเล่าว่ามหาทองเก่งมากครับคนสมัยนั้นรู้จักท่าน ในฐานะมหาปริญญที่เก่งที่สุดแต่ก็น่าเสียดายครับคนเคยบวชมาตั้งแต่เป็นเนรพอได้มหาปริญญกลับศึกศึกออกมาครองเรือนก็สั่นคลอนศรัทธาของญาติโยมมากพออยู่แล้วนี่มาโกกรรมทำชั่วอีกน่าเสียดายมากคนเล่าหน้าสลดลงเมื่อนึกถึงเรื่องที่บิดาเล่าให้ฟังสมัยเด็กๆ เป็นยังไงล่ะโยมหวังว่าโยมคงไม่ได้ฟังมาผิดๆนะเกิดมีคนใส่ใครท่านจะบาปกรรมเสียเ ป, ปล่าๆพระอุดมวิทยาลเตือนทางอ้อมไม่ได้ใส่ใครหรอกครับท่านเจ้าคุณแต่พ่อผมถึงจะไม่ได้เป็นพระแต่ก็ดีเหมือนพระไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยว่าไร หรือสายไรใครชาวบ้านแถบนี้ก็นับถือพ่อผมกันทุกคนพ่อตายตอนอายุเกกปีเต็มงานสบพ่อคนมากันเป็นพันเลยครับตอนนั้นผมโตจำความได้แล้วแสดงว่าพ่อของโยมมีโยมตอนอายุมากแล้วใช่ไหมเจ้าคุณเกษมถามครับท่านเจ้าคุณ ผมเป็นลูกหลงตอนนั้นแม่ผมก็อายุห้าสิบกว่าแล้วพี่ๆก็โตกันหมดผมห่างจากพี่ชายคนที่ติดกับผมถึงสิบแปดปีนายพ่องเล่าวัยแปมิได้ทำให้ความจําของเขาเลอะเลือนแต่อย่างใดตอนนี้พี่ๆผมก็ตายกันหมดแล้วครับพ่อผมมีลูกสิบเอ็ดคนผมเป็นคนสุดทอง พวกเราทั้งสิบเอ็ดคนรู้จักสมเด็จโตเพราะพ่อเราให้ฟังบ่อยๆการที่สมเด็จทันมาคุณกับพ่อผมก็เพราะมหาทองเป็นเหตุครับเรื่องไปยังไงมายังไงนหนเหล่าสิอาตมาอยากฟังเจ้าคุณเกษมพูดขึ้นบุรุษวัยแปจึงเล่าว่าคือพอสอบมหาปริญนาได้ไม่นาน มหาทองก็ลาสิกขาและมาแต่งงานกับนาสาวของพ่อผมครับพ่อบอกตอนนั้นพ่ออายุได้สิบสามปีอาศัยอยู่กับหน้าเพราะแม่คื อ, อยาของผมตายตั้งแต่พ่ออายุได้สามขวบน้องสาวยาก็เลี้ยงดูพ่อผมมาโดยมีมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เป็นสวนหลายขนาดที่นี่มหาทอง เมื่อมาแต่งงานกับหน้าสาวของพ่อผมก็เกิดความโลภอยากได้สมบัติส่วนที่เป็นของหลานเมียซึ่งหมายถึงพ่อผมพ่อเห็นว่านาเคยเป็นมหาปรเรียนมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาก็ไว้ใจคิดว่าน้าเคยเป็นคนดีพอพ่อบรรลุนิติภาวะ มาหาทองก่อนนำเอกสารมาให้พ่อและบอกให้เซนเชื่อโดยหลอกว่าแบ่งสมบัติกันเพราะพอบรุนิเตภาวะแล้วพ่อไม่คิดว่านาเขยจะทำความช่วอย่างนั้นได้จึงลงลายมือไปภายหลังถึงเด้รู้ว่าเป็นสัญญากู้เงินและบา ย, ยินยอมยกที่สวนให้เป็นการใช้หนี้ หากผมเป็นพอ่อคงขานาเคยเสยแล้วแต่พ่อไม่ว่าอะไรสักคำคิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่น้าสาวเลี้ยงมาแล้วก็ตัง้งนาตั้งตาสร้างฐานะของตัวเองมาหาทองไม่มีลูกกับน้าผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเราโบสถอยู่กับพระาศาสนามานานลูกเต้าก็ไม่มี ทำไมจึงโลภถึงปานนั้นเพราะอะไรครับท่านเจ้าคุณบุรุษสูงวัยต้องการคำตอบเพราะเขาเข้าไม่ถึงพระาศาสนาโยมเป็นการบวชที่เขาไม่ถึงไรศิกขาได้แต่ปริยัตแต่คงจะไม่เคยปฏิบัติจึงเขาไม่ถึงศีลสมาธิปัญญา ซึกงออกมาก็ยังเป็นคนดิบอยู่นั่นเองเจ้าคุณเกษมวิจารณ์รู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแล้วสมเด็จโตท่านมาสนิกสนมกับครอบครัวของพ่อโยมได้อย่างไรเจ้าคุณโชดกถามคือมหาทองเป็นคนนิบมนมากครับพ่อบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก ที่สมเด็จท่านทราบความเป็นมาของมหาทองเป็นอย่างดีทั้งที่ไม่มีผู้ใดเล่าถวายคือสมัยที่บวชอยู่มหาทองแก่คุณกับสมเด็จถึงขนาดเคยเจรจาโตตอบกันด้วยภาษาบาลีจะเรียกว่าขู่แข่งกันก็คงจะได้เพราะสมเด็จท่านก็เก่งบาลีมหาทองก็เก่ง พอมหาทองศึกก็ยังระลึกถึงทันอยู่พอแกอายุห้าสิบก็คิดจะทำบุญฉลองวันเกิดจึงนิมนต์สมเด็จเป็นองค์ประธานและนิมนต์ทันเทิดด้วยแกคงไม่คิดว่าสมเด็จทันจะเทิดออกมาอย่างนั้นพอผมเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าพอขึ้นทร ม, มาศสมเด็จทันก็ตั้งน้ำโมสามจบเสร็จแล้วจึงว่า ตาทองนะตาทองเสดายที่สอบไดมหาป ร, ริญญาต่อหน้าพระที่นั่งในวัดพระศิรัตนศาสดารามแต่พอซึกออกมากลับมาทำชั่วมัวเมาในอบายยมุกแกจะต้องได้รับกรรมเพราะโกงที่สวนของหลานเมียพอท่านเทศอย่างนี้ทุกคนพากันตะลึงด้วยไม่ขาดคิดมาก่อนว่า ท่านจะกล้าดึงนากากมหาทองออกต่อหน้าผู้คนมหาทองโกรธมากครูว่าให้เทศไหมไมิฉะนั้นจะไม่ถวายกันเทศสมเด็จท่านกอตำหนิมหาทองว่าติดสินบนท่านมหาทองโกรธหัวฟัดหัวเวียงลุกขึ้นได้ก็ลงเรือนไปพอพบกับหน้าสาวตมกราบขอโทษสมเด็จ และนิมนต์ท่านให้เทศต่อท่านก็เทศเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนหยาดโยมไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างมหาทองท่านกำรร ม, มือเหมือนอย่างในรูปหล่อแล้วสอนว่าคนเรามีสองกำรรคือกำรรปากกับกำทองเพราะสองกำรรนี้ทำให้มนุษย์ทำกรรมบางคน ทำกรรมชั่วเพื่อปากท้องแต่บางคนทำกรรมดีแม้ท้องจะหิวปานใดก็ไม่ยอมทำชั่วกรรมจึงมีสองคือกรรมดีและกรรมชั่วตอนพ่อเล่าผมจำได้หมดแต่เดี๋ยวนี้ชักจะเลือนเลื่อนด้วยว่าอายุมากปุรุไวัยแปดสิบสี่ออกตัว ี่ขนาดเลือเล่อนๆยังเล่าได้ละเอียดอย่างนี้ยมความจำดีเลอกเกินถ้าเป็นอาตมาคงจะลืมใบสนานแล้วเจ้าคุณเกษมชมมันฝังใจนะครับท่านเจ้าคุณพ่อก็ช่างดีแสนดีไม่เคยวานาเคยแม้แต่คำเดียวแต่กรรมมันมีผล ไม่วิบากนะครับท่านเจ้าคุณเพราะหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันมหาทองก็เป็นลมตายอยู่ในท้องร่องกลางสวนที่แกโกงมาจากล้านเมียนั่นเองเสียงคนเล่าฟังดูเหมือนสะใจที่มหาทองตายเสียได้แน่ใจนะว่าไม่ได้ถูกข้อตกรรม เจ้าคุณโชดกถามยิ้มยิ้มแน่ใจครับพอบอกว่าวันที่แกตายพอไปบางกอกที่สนามหลวงเขามีงานพ่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆกลับมาจึงได้รู้ว่าน่าเคยตายเสร็จแล้วพ่อก็ทำศพให้ยังสมเกียรติและนิมนต์สมเด็จมาเทศมีคนถามสมเด็จว่าที่มหาทองตายนั้นเพราะท่านแช่งไว้หรือไม่ สมเด็จท่านตอบว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นได้คงจะแช่งพวกมารศาสนาให้ตายหมดโลกไปแล้วท่านเพียงแต่บอกว่าท่านเห็นกรรมของมหาทองและพยายามที่จะบอกให้เจ้าตัวรู้แต่แกกลับโกรธเพราะถึงคราวที่จะต้องใช้กรรมคนที่พบศพเขาบอกว่าถ้าแกไม่เมาก็คงไม่ตาย เพราะแกล้มนาความลงไปในท้องร่องซึ่งมีน้ำขังอยู่นิดเดียวตัวอยู่บนบกแต่นาจุ่มน้ำในท้องร่องซึ่งไม่น่าจะถึงกับตายนาพองเล่าขณะนั้นเป็นเวลาสิบนาฬิกาสนาทีพระอุดมวิทยานจึงพูดขึ้นว่าได้เวลาเจริญพระพุทธมนต์แล้วถ้ามีเวลาค่อยคุยกันต่อนายยมนะ นิมนต์ครับเจ้าของวันเกิดนิมนต์โยมจุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเสร็จแล้วจึงนำอาราธนาศีลอาตมาให้ศีลจากนั้นพระสงฆ์ทั้งเก่ารูปจึงเจริญพระพุทธมนต์พระอุดมมิชยานบอกถึงลำดับขั้นตอนในพิธีการบำเพ็ญกุศลแก่บุรุษวัยแปสิบสี่